ขอความเจริญในธรรมจะมีแต่ทัานผู้ฟังทั้งหลายแต่รบนปุติยญาณกำลังนำเสนอสัมมาวยามะในข้อของภาวนาประทานคือเพียนพยายามเพิ่มพูนบุญกุศลให้บังเกิดขึ้นภายในจิตใจและอนุรักษณาประทานคือเพียนรษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อม การที่นำมาควบกันก็เพราะว่าโดยพื้นฐานจิตของพุทธศาสนิกช น, นทั้งหลายนั้นมันก็มีกุศลและธรรมอยู่เป็นจํานวจมากแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือคนที่สนใจใส่ใจในการฟังธรรมะตามรายการวิทยุหรือว่าดูรายการโทรทัศน์หรืออ่านหนังสือธรรมะหรือเอาวัดฟังธรรมเนี่ย สามาทั้งหมดัมยว่าเราจะยกข้อใดขึ้นมาก็ตามแล้วก็มีอยู่แล้วระดับหนึ่งซึ่งถ้าอยู่ตรงนั้นก็เรียกว่าอนุรักษณาประธานแต่ในขณะเดียวกันจับใดที่เรายังไม่บรรลุมรกผลเป็นพระหันก็ไม่มีใครสมบูรณ์รอยเปอร์เซ็นต์มันมีจุดบกพร่องมีจุดปิดพลาดที่จะต้องเพิ่มเติม คุณทำความดีเหล่านั้นขึ้นมาให้มีพอใช้หรือเกินพอใช้เพราะว่าชีวิตของเราตามปกติแล้วมันจะมีอารมณ์กระทบกระแทกให้เกิดความรู้สึกอ่อนไว้ไปตามกระแสของอารมณ์ที่มากระทบเรานั้นคืนหนึ่งก็ค่อนข้างดึกแล้วนะฮะมีเสียงพระโทรศัพท์มาสอบถาม เรื่องสาชาติของพระพุทธเจ้าที่ท่านจะแนกแสดงเอาไว้ในพระบาลีเช็นพระนางพิมพายโสธรามากันทะกะต้นประสีหมาโพลกุ้มทองทั้งสีชิดในชนะและการลุทายีหมามาัดหรือแต่และอย่างแต่และอย่างเนี่ยคือท่านก็ไปติดขึ้นนับใม้ครบ าการลุทายีไปก็บอกว่าก็คือการลุทายีแล้วก็มีคําถามเพิ่มเติมขึ้นมาว่าการที่พระพุทธเจ้าประสูตรสรลูแล ะ, สะเสด็จ ด, ดับขันธปิฏพานในวันเพ็ญเดือนหกนั้นไม่มีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกแล้วอ้างว่าผู้พูดเป็นประเด็นธรรมข้าวประโยชน์ซึ่งว่าการดำหลักความจริงแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคร คือข้อความเป็นนั้นมากเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องอยู่ในประใจบิดกเสมอไปเพราะถ้าเรามองดูแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าอย่างวันไปนสูตรเนี่ยคนอื่นก็ต้องเป็นคนบอกปเจจาว็คงบอ ก, กเองไม่ได้นะเพราะยังทรงพระเยาอยู่แต่วันที่จัดสรุปก็อยู่ลำพังพระองค์โตนะก็จะทรงแสดงรับสั่งเล่า ว่าคนอื่นก็ไม่มีใครรู้เห็นในช่วงที่สรูปแล้วก็ในช่วงเสด็จดับขันธมรรคานนั้นแน่นอนนะะก็มีคนรู้เห็นกันเยอะเพิ่มก็เป็นหลักฐานซึ่งไม่น่าจะเอามาพูดให้มันนอกเรื่องแต่ว่าคนก็ชอบทําเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องให้มันเป็นเรื่องขึ้นมาบางคนเลยเถิดขึ้นไปยิ่งกว่านั้นบอกว่า ที่่าระเจ้าปสูติสสรุสเสด็จดับขันตะเพนตะพาในวันเพ็นเดือนหกนั้นก็คือวันที่สัตย์สรู้นั่นเองหมายความมาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าโดยการสัตสรุแล้วก็เป็นกิเล ส, สนิพาณจะจบกันตรงนั้นคือพูดมันๆนนะ่ะมันได้อะแต่ว่ามันรับผิดชอบอะไรได้หรือเปล่าคือแสดงถึงความไม่รับผิดชอบแล้วก็ลูมินสัพพันญูได้ทําไป รุมินราสาพันยุ ต, ยติธรรได้ทาไปแต่คนก็ชอบแสดงอะไรที่มันแกล้งให้มันเกิดสร้างความสับสนขึ้นในพระพุทธศาสนาคล้ายๆกับรายการตามหาแก่นธรรมนะครับที่ตอนนี้ก็ทราบข่าวว่ามีปัญหาอยู่ที่จริงอาตมาเองมีความรู้สึกมีแบบมีปัญหามาตั้งนานแล้วแล้วก็มีคนก็บอกเขาฟ้องไปที่ไหนเขาก็พูดได้ฟัง ว่าทำไมเอาอคนซึ่งไม่รู้เรื่องอะไรมาพูดในเรื่องอะไรในเรื่องที่เป็นแกน่นคือแกนกรรน็ทำในที่จริงพระเจ้าทรงแสดงไปแล้วแล้วนี่คือพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าเป็นเจ้าแห่งธรรมเป็นธรรมราชาพระเจ้าว่ายังไงคืออย่างนั้นแหละเราจะมีสิทธิมาพูดเองได้ไงคือการศึกษาระดับศาสนาระดับปรัชญาเนี่ยมันไม่ใช่ความเห็นเรานะ ถ้าเป็นความเห็นเราก็ไม่ใช่ศาสนาไม่ใช่ปรัชญาก็ต้องความเห็นของท่านนะ่ะเป็นหลักการต่างๆที่ท่านแสดงเอาไวนะ้น่ะเช่นสมมติว่าเราจะศึกษาปราปัชญาของโสเภติโสโสเภติสอธิบายเรื่องการปกครองว่าอย่างไรอธิบายเรื่องโลกไปยังไงก็คือว่าอย่างนั้นเนี่ยว่าตามที่ท่านว่านั่นแหละจริงเทพมันเป็นเรื่องที่ท่านรับผิดชอบมันไม่ใช่เรื่องที่เราต้องรับผิดชอบเราไม่ใช่นักปรัชญาเราศึกษาความคิดของนักปรัชญาเขา การศึกษาศาสนามันก็มีลักษณะอย่างนั้นคือศึกษาตามที่ศาสดาแต่ละองค์ท่านว่าไว้นะสมมุติว่าเราจะพูดถึงพระเจ้าเราก็ต้องดูว่าพูดถึงพระเจ้าในศาสนาไหนแล้วไม่ใช่อธิบายตามที่เราเข้าใจนะอธิบายตามที่ท่านบอกไว้จึงจะเป็นเรื่องศาสนา น, นั้นๆคือถ้าเราอธิบายเอง็แาจะแดงเราก็คิดสร้างศาสนาใหม่ มันคนละเรื่องกันนะนะเพราะว่าอย่างแก่นธรรมเนี่ยจริงพระพุทธเจ้ทาทรงใช้คำาสาระจะไป แ, แก่นแล้วแกนส่วนเหตุก็มีอยู่สามแกนส่วนผลก็มีอยู่สองก็เท่านั้นทุกทีนะฮะคือจะแสดงยังไงก็ตามก็มีทานั้นแหละถ้าอย่างอื่นก็ไม่ใช่ระดับแก่นนะคือศีลสาระแก่นระดับศีลสมาธิสาระแก่นระดับสมาธิ ปัญญาสาระแก่นระดับปัญญาทีนี้ถ้าแก่นทั้งสามแก่นเนี่ยเขาสมบูรณ์มันก็กลายเป็นวิมุตติสาระคือแก่นคือวิมุตติคือจิตที่หลุดพ้นจากอานาจของกิเลสและจากนั้นก็เป็นวิมุตติญาณทัศนะาานะคือความรู้ความเห็นในวิมุตติรู้เห็ว่าจิตเราหลุดพ้นแล้วจากอานาจของกิเลสซึ่งก็เกิดขึ้นแก่พระญาติบุคคลทั้งหลายเรายกตัวอย่างเช่น ตอนท้ายของอนัตตลกนัสูตรที่พระเจ้าทรงแสดงเก็บระปัญญะวิคีนั้นเราสั่งแสดงในท่วงสรุปนะครับบทสรุปตอนสุดท้ายที่ว่าอริยสาวกเมื่อพิจนารณาแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายในรูปย่อมเบื่อหน่ายในเวทนาเบื่อหน่ายในสัญญาเบื่อหน่ายในสังขารเบื่อหน่ายในวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายก็จะถ่ายกำหนัพกพใครายกำหนัดจิตก็พ้น กิจพ้นก็เกิดยานผูดขึ้นมาว่าเราหลุดพ้นแล้วดังนี้จากนั้นยานก็จะบอกตัวเองว่าคีนาชาติชาติสิ้นแล้ววุสิตังผู้มรจารยางผูม้รมจรจั์ได้อยู่จดและจบแล้วกตังกิยากิีติคนรทำแต่ทำเสร็จแล้วนาประหลังอิทาตาญาติปชานาติจิติจอื่นอีกเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีแล้วก็เป็นสากลคือมันเกิดอย่างนั้นตลอดไม่มีทางเปลี่ยนแปลงไปอย่างอื่นได้นะ ถ้าศีล ส, สมาธิปัญญาสมบูรณ์แล้วผลจะต้องออกมาเป็นวิมุตติสาระกับวิมุตติยาณทัศนาสาระทีนี้เขาไปพูดเอาไปแสดงเอาไปวิาพากษ์วิจาร์และก็ตัวพิธีกรเองก็ไม่รู้เรื่องศาสนาคือคนจะเป็นพิพธีกรเรื่องอะไรเนี่ยต้องรอบรู้ในเรื่องเหล่านั้นคือตามปกติแล้วเนี่ยคนถามเนี่ยจะต้องมีความรู้มากกว่าคนตอบ อย่างพระเทพเนี่ยก็เรียกว่าสัตกวัตีประวาทีคือคนที่ทำหน้าที่ถามเนี่ยจะต้องไปพระผู้ใหญ่ที่มีความรอบรู้สูงกว่าผู้ที่ทำหน้าที่ตอบเพราะอะไรเพราะว่าบางทีผู้ตอบก็ตเตลิดออกไปนอกกรอบผู้ถามก็ต้องตลบเข้ามาหากรอบไปได้ แล้วก็เป็นกำหนดแผนกำหนดทิศทางในการพูดในการอาธิบาย mm hmm. ก็เรียกว่าอุเทศเนี่ยบทตั้งยกขึ้นไว้ยังไงนิเทศบทขยายเนี่ยคนถามเป็นคนคุมเกมนะฮะมันไม่ใช่คนตอบเป็นคนคุมตาก็ต้องถามคุมเกมก็ตั้งปัญหาคุมเกมไปจนถึงปฏินิเทศคือบทสรุปหลักการตรงนี้กลายเป็นหลักการที่ยึดถือประพฤติปฏิบัติกัน แต่ว่าพอมาถึงไปแสดงความคิดความเห็นในลักษณะนั้นเลือกฟังแล้วมีแต่หดหูแม้แต่สลดไม่ได้สรัธาปราสาทาอะไรเลยนะถ้าคนรู้เรื่ อ, องศาสนาแล้วจะไม่ได้สรัทาประสาาอะไรเลยคือมันมีแต่ว่าเออนี่พวกเรานี้มานั่งบิดเบือนคําสอนในพระพุทธศาสนาฝุ่มือไม่พายเอท้ามาลาน้ํา มันเป็นขวากหนามเป็นหลุมบอ่อเป็นอุปสรรคของศาสนาแทนที่จะเกิดแก่ประโยชน์แก่ศาสนาเพราะนเรื่องเรื่องประศาสนาคือว่าพระเจ้าว่าอย่างไงก็คืออย่างนั้นนะวันวันก่อนได้พูดถึงเรื่องของอาถารรพณ์ศีล ป, ประการคือธรรมะอันเป็นที่พึ่งศีล ป, ประการที่จริงมันก็ครุ่มอะไรไปเยอะแล้วนะฮะ คือเริ่มต้นมาจากศีลแล้วก็มาจบที่ปัญญาเนี่ยจบที่สติปัญญาเนี่ยข้อสุดท้ายก็อลองสุดท้ายเนี่ยในภาคสนามจริงๆเนี่ยคือหมดแล้วหมายความว่าใจสีขาก็อยู่ตรงนั้นหมดแล้วทางศีลภาวนาวก็อยู่ตรงนั้นหมดแล้วแต่เนื่องจากธรรมะนั้นทรงจําแนกแสดงแบบปริยายคือเนยยะต่างต่างก็จะยกตัวอย่าง หลักธรรมที่ควรแก่การภาวนาประทานควรแก่การน้อมนํามาประพฤติปฏิบัติแล้วถ้ามีอยู่แล้วก็ต้องพยายามรักษาไว้แล้วก็พยายามต่อไปตามหลักการของสมมาวยามะเนี่ยคือหลักของสมมาวยามะนั้นก็คือให้บุคคลปลุกฟังความพดใจในการที่จะป้องกันความชั่วในการที่ะละความชั่วในการทจะเสริมสร้างความดีในการที่รักษาความดี แล้วก็พยายามว่ายามัติวิริยังอารปัปติปลรัรบความเพียรนี้ต่อเนื่องกันไปติตจะจิตตังประกันนาติปะดาหติกับประคับประครองจิตรักษาจิตเอาไว้แล้วก็พยายามต่อไปจนกว่าจะเข้าถึงความสมบูรณ์นะแต่อย่าลืมว่าสัมมา ว, ยวมายามะที่สมบูรณ์เนี่ย คือวิเยนนาตุกรรมเจติคนร่วงทุกได้ประความเพียรหมายความว่าถึงทุกระดับนั้นนะระดับสังสารวัตรจหลุดพ้นจากทุกในสังสารวัตรแต่เราก็มองระดับพื้นฐานทั่วไปก็เรียกว่าอาจจะมองระดับศีลธรรมจัญญาระดับระดับที่พุทธบริษัททั้งหลายที่เป็นกัลยาณมุทุชนสามารถทาได้ระดับหนึ่ง มีธรรมชุดหนึ่งที่พุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในหลายนิยัดด้วยกันนะชุดเนี่ยปรากฏอยู่ในพวกอังคุตรณิกายปัจจกนิบาตอังคุตรนิกายญญากาานียนย่คือธรรมะชุดเดียวทรงแสดงอยู่ชุดเดียวแต่ว่าจะแสดงเหตให้เกิดผลหลายๆอย่างว่าธรรมห้าข้อเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดผลหลายๆอย่างแต่ว่าจะทรงใช้คำคำหนึ่งซึ่ง แพรออกไปจากในที่อื่นก็สมใช้คำว่าสัมปทาก็แปลว่าสมบูรณ์หรอาจจะแปลว่าถึงพร้อมก็หมายความว่าสมบูรณ์ด้วยศรัทธาคือหนึ่งศรัทธาสัมปทาสมบูรณ์ด้วยศรัทธาศรัทธาก็คือความเชื่อมัน่นอันอย่างโลงมั่นคงในคุณของพระพุทธเจ้าตามที่เราสวดสันส่วนกันนะในอิทีพิโซภะกวาเนี่ยถ้าเป็นพระบาลีพุทธวจนะและเป็นอย่างนี้ทุกที แต่เน้นไปที่ความเชื่อในอิติปิโสปะกาวาอรหังสมาสุบุทโธเนี่ยเท่อในประพุทธคุณเก้าบทเนี่ยแต่อย่างน้อยที่สุดเราก็จับหลักให้ได้พระพุทธเจ้านั้นสมบูรณ์ด้วยปัญญาคุณคือเอาพระคุณโยดยย่อเนี่ยมามองเพราะว่ขจจาขจัดอวิชชาคือดับไปอย่างสิ้นเชิง ปัญญาก็สว่างสวัยภายในพระไทยของพระองค์ปัญญานั้นเป็นแสงสว่างในโลกอยู่แล้วแล้วก็ทรงมีความบริสุทธิ์หมดจดจากเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายภายในพระไทยของพระองค์ไม่มีปัญหาไม่มีกิเลสไม่มีอาสวะไม่มีสมุทยัยก็เรียกชื่ออย่างไงก็ตามกิเลสทั้งหลายที่ชาวบ้านมีนี่พระพุทธเจ้าก็มีนี แล้วก็ส่งมองโลกมองสรรพชีวิตด้วยความการุณาต่อสรรพสัสตว์เหล่านั้นในฐานะที่อยู่ตกอยู่ในห่วงของความทุกข์แล้วก็เป็นอย่างนี้ตลอดไปเพรัะศรัสาสัมมาทาเนี่ยจึงเป็นหลักอยู่ตลอดเราลองสังเกตว่ามันเริ่มตั้งแต่ต้นมาศรัทธาสาธุ ป, ปฏิเสธาศรัทธาตั้งมั่นแล้วให้สเมเร็จประโยชน์ บุคคลศรัทธารวบรวมไว้ซึ่งสเสบียงคือกุศลสรัธาบันดาติปาเอย่งางศรัทธารวบรวมไว้ซึ่งสเสบียงคือกุศลจนถึงโน้นน่ะศรัทธายะตริติโอคังคนจะข้ามม้วนน้าคือกิเลสได้ด้วยศรัทธากวัน ก, นก่อนก็เจอหนังสือพิมพ์สยามรัฐแต่มีขอล่ำนิดเขาเขียนคือโยมตีพระที่ยกภาษาบาลีเขาต้องหมุนหนีภาษาบาลี ไม่รู้เป็นอะไรขึ้นมานะฮะคือเขียนหนังสือทีหนึ่งพยายามจะหาเรื่องด่าพระในรายการทางสถานีวิทยุพนหนึ่งนะฮะประลบเรื่องสถานีวิทยุพนหนึ่งแล้วก็โจมตีเรื่องพระยกภาษาบาลีพระนั้นเป็นผู้สนองงานพระศาสนานะฮะ คือไม่ใช่ตั้งตัวเป็นครูบ า, าอาจารย์มาสั่งสอนเองแล้วก็อธิบายธรรมะนาเสนอธรรมะของพระพุทธเจ้าพระพเจ้าทรงแสดงเราก็สแสดงสแสดงว่ายังไงก็สแสดงอย่างนั้นแหละอย่างที่พระเจ้าทรงแสดงมันเป็นพันธกิจพี่จะต้องกระทําอย่างนั้นใครไม่สมัครใจจะฟังมันก็เรื่องของคนนั้นแต่จริงๆแล้วพระเวลายกเนี่ยจะอธิบายนะ จะแปลและจะอธิบายให้ฟังซึ่งผิดกับเวลาเขาพูดภาษารังกเนี่ยเขาไม่แปลแล้วเขาไม่อธิบายฟังไปจะทับซับกันไปเลยแต่คนเป็นมากที่ฟังไม่รู้เรื่องแต่รู้สึกสง่าภาคภูมทิที่ฟังภาษาอังกฤษได้ได้ฟังภาษาอังกฤษนะที่จริงไม่ใช่ฟังได้คือบางทีก็เราก็ไม่รู้ข้อความเหล่านั้นต้อเป็นยังไงแต่รู้สึกว่าสง่าดีทันนั้นเอง การต่อไปคือศีลแสัมปทาเนี่ยสมบูรณ์ที่ศีลคือเอาขนาดศีลห้าทุกทีแหละเปพูดมาเอาขนาดเนี้ยแต่ว่ารักษาศีลสมบูรณ์จริงๆแลแ้วเราเห็นว่าศีลเหล่านี้ถ้าเรารักษาในแนวลึกคือพัฒนาจิตขึ้นมาอยู่ในจุดที่เรียกว่าเป็นเมตตาดำตอนปลายของศีลข้อปานาเนี่ยที่สงชัยก็มามีความเมตตาเอ็นดูในสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ย ศีลทั้งหลายจะมีชื่ออย่างไรก็ช่างนะับมันก็ชื่อว่าได้รักษาดีแล้วเพราะว่าจิตมันเลยศีลไปแต่คุณฑธรรมภายในจิตแต่ยมันยกจิตขึ้นเหนืออารมณ์ที่จะไปละเมิดศีลนิรเลเคขาอย่างนี้ศีลมันเป็นเหมือนกับไม้บรรทัดบรรทัดที่จําเป็นจะต้องใช้ในตอนต้นๆของการเขียนหนังสือแต่นั่นเอง แต่ถ้าเมื่อเรายกจิตขึ้นเหนือศีลคือจิตมีธรรมะแล้วเนี่ยมีคุณธรรมภายในใจแล้วเนี่ยเรก็เป็นศีลไปโดยธรรมดาของเขาและถึงจุดหนึ่งก็จะสมบูรณ์คือแนวที่สมบูรณ์เนี่ยถ้าแนวศีลล้วนๆเนี่ยเดียวหมายความว่าเรารักษาศีลเช่นปาณาธิบาติตไม่ฆ่าสัตว์เองไม่ใช้คนอื่นฆ่าไม่ยกย่องสเสริญผู้ฆ่า แล้วไม่ยินดีในสิ่งที่ได้มาโดยการฆ่าแล้วก็ตัวผู้ฆ่าแม้ว่าเราจะมีประโยชน์ร่วมอยู่ด้วยก็ตามแต่จะไม่พอใจไม่ยินดีในสิ่งดอกนั้นสุตตสัมมาทาถึงพราถึงสมบูรณุรสุตะคือการศึกษาเรียนรู้เป็นการพัฒนาปัญญาจะหมายความว่ามีประสบการณ์ทางภาษาสัมผัสสูง แล้วก็สมจำเรื่องราวต่างๆไว้ได้กฎเกณฑ์กติกาสูตรหลักการสาคัญสาคัญต่างๆเนี่ยต้องแม่นต้องท่องได้นะฮะพวกนักวิจาัการต่บไปนี้พราสอเพระสอเพระต่อต้านเรื่องการจำประตามะฮะเีใครเชื่อก็เชื่อแต่มาไม่เชื่อหรอกเพราะว่ามันเป็นกระบวนการทางจิตมันเป็นสัญญาขันนะฮะ เกียการศึกษาเนี่ถ้าเราไม่จําราแสดงว่าเราไม่ได้พัฒนาสัญญาขันและอย่างยื่มันไปไม่ได้นะครับเพราะว่าจิตเรามันถูกปรุงด้วยสัญญากับเบิดนะเพรานของสุตตะเนี่พรจะพุทธเจ้าจะแสดงเหมือนกันทุกแห่งคือผ่านกระบวนการศึกษาเรียนรู้มาโดยลาดับแล้วก็จะก่ะคือถึงพร้อมด้วยความบริจาคเสียสละตรงนี้ที่จริงเน้นไปทางบริจาควัตถุสิ่งของมากกว่า คือเน้นไปที่เรื่องของการบริจาคทานนะครับเป็นการสงเคราะห์เป็นการนุเคราะห์เป็นการบูชาก็ตามแต่ว่าเน้นไปที่บริจาคทานเี่นแต่ว่าจากนั้นมีความหมายหลายระดับบางระดับนี่จะหมายถึงการสละต่ออุปสรรคต่อสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อเจตจํานงในการตั้งใจจะทําความดีและมันเกิดความรู้สึกขี้เกียจความรู้สึกต่อต้านความรู้สึกไม่อยากทําขึ้นมาเนี่ย เราต้องมองเห็นโทษของเรื่องเดียดนั้นแล้วก็สลัดโทษตังนั้นออกไปแล้วจนถึงปัญญาสัมปทาคือสมบูรณ์ในปัญญาที่มองสิ่งทั้งหลายให้เห็นตามความเป็นจริงทั้งหน่วยย่อยและก็หน่วยที่มันรวมกันอยู่ก็คล้ายๆกับเรามองเครื่องยนต์กลไกเนี่ยคือยอมรับในความเป็นเครื่องยนต์กลไกแล้วก็สามารถที่จะเห็นว่าจริงๆมันเป็นองค์ประกอบือพวกนี้ถ้าเสียไปสักอย่างมันก็เดินไม่ได้แล้ว ทุกอย่างจะต้องเป็นปัจจัยส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกันเพราตามปกติแล้วคนเราจะมองอะไรเนี่ยมันก็มองแยกก็มองรวมบางทีก็มองแบบแบ่งแยกเช่นสมมุติว่ากําหนดว่าคนสวยอย่างเนี้ยบางทีก็กําหนดทั้งคนเลยว่าคนนี้สวยเครืคันนี้สวยบ้านหลังนี้สวยต้นไม้นี้สวยอะไรแต่ไหนเนี่ยคือจะกําหนดเขาเรียกว่ารวบถือไปเลยแต่น่นอนจะมีการจะแนก ในการจําแนกแบ่งแยกออกไปว่าเช่นว่าบางสวยบบางบางงส่วนเยันสมมุติว่าผมสวยตาสวยคิ้วสวยอะไรแต่ละก็ว่าไปนะแยกส่วนออกมาถือซึ่งแต่ละอย่างเนี่ยมันจะเกิดราคาโทรศัอาจจะเกิดโทรศัก็ได้อาจจะเกิดราคาก็ได้ก็แล้วแต่ว่าเรามองในแนวบวกหรือว่าแนวลบ แต่ถ้าไมปัญญาพิจาณาแยกแยะสิ่งทั้งหลายในหะ้เข้าถึงแก่นแท้ก็ถึงความจริงของสิ่งเหล่านั้นให้ได้เนะี่ยแล้วในที่สุดมันก็สามารถที่จะหาประโยชน์จากสิ่งต่างต่างได้เราอยู่ในยุคข้อมูลข่าวสารสื่อสารโทรค ม, มนาคมในด้า น, น, นต่างๆเวลานี้เราจะเห็นว่ามันจะมีความขัดแย้งอะไรกันอยู่เยอะเลยแต่จากการสังเกตคืคอว่า เรามองไม่ค่คยครบกระบวนนะวันก่อนก็ดูเข า, าพิพากษาเรืเ่องอะไรวิจาร์คำตัดสินพิาพากษากลางของสารรัฐมนูญเนี่ยนักปราชญ์เยอะจังใ น, นเมืองไทยเนี่ยแต่นักปราชญ์อย่างนี้ออกมาทำงานที่เป็นคุณอุปการต่อสังคมได้มากๆประเดียนะแต่ว่าไปรือ้อความหลังขึ้นมาแล้วก็ มาย้ําพูดย้ํำทำเนี่ยมันไม่รู้บันด้อะไรขึ้นมาบ้าง น, นะฮะถ้วเราตั้งเกณฑ์ววาสารปกครองนี่จะเงียบมากมีพวกเป็นผู้พิพากษาสารปกครองอยู่ค น, นก็ตัดสินคดีไปทั้งเจ็ดสิบกว่าคดีไม่มีข่าวอะไรเรียบร้อยถูกต้องสมบูรหมดเลยคนก็เยอะนะสารปกครงนี่เป็นเป็นร้อยแล้วมั้งทั้งหมด แล้วก็กระจายไปทั่วประเทศดอกมีเป็นเขตๆต่างๆทางภาคใต้นี่ครับว่าไปอยู่ที่สงฆาอะไรนี่คพคนเราถ้ามีปัญญาเนี่ยมันจะต้องขจัดปุโมหะได้แล้วขจัดโทสะได้ด้วยนะฮะไม่ใช่ขจัดอย่างเดียวแล้วขจัดโลภะได้ด้วยเพราะปัญญาเนี่ยจึงเป็นแกนหลักของความเป็นพระพุทธศาสนา ไม่ว่าเราจะพูดเรื่องอะไรก็ตามนะฮะทั้งศรัท ธ, ธาก็ดีศีลก็ดีสุตตะก็ดีจาข้ก็ดีเนี่ยต้องมีปัญญากำกับทั้งนั้นได้การบริจาคบางเรื่องเนี่ยแม้แต่การบริจาคไปช่วยน้ำท่วมทางจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยก็จะเห็นว่าคือถ้าเราดูข่าวเนี่ยไอ้ผู้วัตถุสิ่งขอ ง, งต่างๆเนี่ยไม่น่าจะจำเป็นแล้วมันมากเกินเหตุเกินผลไป มันน่าจะหาสตางค์อะไรๆ ไ, ไปให้คือเขาขาดแคลนอะไรเนี่ยเขาควรจะซื้อหาได้ให้เขาตัดสินเขาเองนะให้สตางค์นี่เป็นดีที่สุดแหละเขาต้องรับผิดชอบก็เองเขาขาดแคลนอะไรเขาต้องการอะไรไปเรืเนี้ยเอาของกินเอามา่มาม้าเอายำยำอะไรต่อะไรไปมันก็บริเทาแก้ปัญหาในสถานการณ์เฉพาะหน้านี่ได้แต่ว่าปราระยะยาวเนี่ยคนเราคงจะกินของแจกกันอยู่ไม่ได้ เ ห, หมมันต้องปัญญาต้องเข้าไปกำกับอยู่เสมอแล้วก็ตามปกติมันจะวุ่นวายเป็นคราวๆอย่างแถวแถวสมัยกระทูลแอะไรต่างๆก็เหมือนกันนะในที่สุดลืมนะเพราะงั้นปัญหาเหล่านี้มันเป็นปัญหาระยะยาวไม่ใช่เป็นปัญหาระยะสั้นแล้วก็กว่าจะฟื้นคืนสภาพไปสู่ดั้งเดิมเนี่ยมันต้องใช้เวลาาน เพราะฉะนั้นปัญญามันต้องเข้ากำกับในไปในทุกกรณีทีเดียวต้องฟังทั้งหลายแต่รวงปพ่ทยายใเนี่ยวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงองงามไปปูนในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี